เอ <c oughs> ไม่รู้จะมีเสียงไหมนะ <c oughs> หมดเสียงไปหลายวันไม่ต้องฟังเอาเสียงดี <c oughs> เสียงไปดีฟัง <c oughs> เราการปฏิบัติเพื่ อ, อไปสัมผัสเอาไปทำวานนี้ได้พปกดเรื่อง <c oughs> การปฏิบัติที่ไม่ผิดในเรื่องของการปฏิบัติกรรมาฐานแ้วมันก็มีอันผิดอันถูกธรรมดาผูกพู่กันไปเราทำอะไรก็เช็นเช่นมันเหมือนกันนั่นแหละ ในเรื่องของกายของใจเรานี่มันก็ทำผิดทำถูกคิดผิดคิดถูกอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนเอาไว้ว่าการปฏิบัติที่ไม่ผิดสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตสิ่งที่พ ร, ร, ระองค์ทรงห้าม เป็นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ า, จากันแรกทีป่ป่าอิสิปตนะมลึกขลายวนันเทศให้ปัญจะไปคีฝังว่าทางที่ไม่ควรเสดไม่อยู่สามอยา่างมัญไปคิดไม่ควรเสษไม่ควรทำคำว่าเสไมันคือไม่ควรทำ กตฐานกิริยธรรานโยคือปฏิบัติเข่งเครียดตึงเครียดจริงจังหรือยึดมั่นถือมั่นในทิธฐิของตนกามสุขขันธิการุโยอ่อนแอค้อยตามผลิตนิสัยของตนเราชอบอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่ทําเราเบื่อเราก็ไม่ทํา เรา็ยันเราจึางจะทำเอาความอ่อนแอเอาความให้ความคิดพาทำไม่ใช่ทำด้วยสตาแต่สิ่งที่ควดเสกก็ไม่อยู่คือมัชิมาปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่ไปผิดคือทำตามอริยมรคคือมีสติเข้าไปดูไปเห็น ทำสัมผัสดูกับกายกับใจเราสึ่งไหนที่ทำหลงไปมันเป็นยังไงสัมผัสดูมันคิดยังไงมันถูกยังไงนหลักมัชถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ใช่ไม่ได้ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ใช่ได้เป็นความรู้สึกตัวมันใช่ได้ความหลงมันใช่ไม่ได้ความโกรธมันใช่ไม่ได้ความไม่โกรธมันใช่ได้ ความทุกข์มันใช่ไม่ได้ความใหม่ทุกข์มันใช่ได้ความรู้ตื่นความรู้ตื่นเบิกบานมันใช่ได้ความเศร้าหมองปวดตอดขาดเครื่องมันใช่ไม่ได้เราก็สัมผัสเกิดทิฏฐิเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดมิจฉาทิฏฐิเมื่อเราไปทําดูไม่ใช่ คิดขึ้นมาก็เอาถูกเอาผิดกับความคิดความถูกกับความคิดมันอยู่กับความคิดนั่นมันยังเข้ไม่ได้เราจึงศึกษาเพื่อให้มันเป็นรุ่นรุ่นก้อนก้อนจริงๆไม่ใช่วิชาการอาจจะเป็นวิชาการแ่ภาคปฏิบัติการไปในตัวพร้อมพร่องไป เห็นวิชากรรมฐานเป็นวิชาศึกษาที่สมบูรณ์มีทั้งโลกกระธรรมมีทั้งนามประธรรมามีทั้งการกระทำํำมีทั้งทำผิดมีทั้งทำถกูกพร้อมๆกันไปเรื่องความผิดเป็นความถกูกขณะที่มันผิดเรื่อนความหลงเป็นความไม่หลงขณะที่มันหลงมันจึงจะเป็นการปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบ จึงเกิเป็นการบทเรียนจึงเกิเป็นการประสบการณ์ไปในตัวเป็นเรายกมือสร้างจังหวะมือเราก็ยกจริงๆริงเราก็รู้จริงๆหลงขนาะที่เรายกมือสร้างจังหวะมันไม่ไปตามหรือบทสิบสี่จังหวะเราก็พยายามให้มันตามไปถามที่เราต้องการเจตนาที่เราต้องการ เราเจตจนาตั้งไวต้ตรงนี้เอานี่ที่นี่เป็นนิมิตเป็นที่ตั้งมันเลยหลุดไปทางอื่นแล้วก็เอามาตั้งไว้ที่เก็บเป็นทั้งบทฝึกหัดเป็นทั้งบทศึกษาเป็นทั้งบทเรียนรู้เป็นทั้งบทบทประสบการณ์บทเรียนแล้วเมื่อมีอาการเกิดขึ้นอะไรต่างๆ อ, อาจจะเป็นผลของการปฏิบัติ ว่ามมีเหตุเหตุก็เราก็ททำอยู่นี่ยมันอาจจะเกิดเกิดผลขึ้นมาเกิดยานเกิดความรู้ต่างเกา่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาปัญญาจางรู้รูกทํานามธรรมเห็นรูกเห็นนามเข้าไปเห็นของจริงเห็นของไม่จริงเข้าไปของจริงอยู่บนของไม่จริง ของไม่จริงอยู่บนความจริงมันก็ย่งซ่อนๆกันเยอะเป็นลูกมันก็เป็นลูกเหมือนจริงของมันตามธรรมชาติของมันแต่มันไม่จริงมันไม่เป็นใหญ่ได้ในลูกมันก็มีความไม่เที่ยงอยู่ในที่นั้นมันก็มีความเป็นทุกข์อยู่ในที่นั้นมันก็ไม่ความัม่ใช่ตัวตนอยู่ในที่นั้น นา ม, มาทำคือจิตใจความรู้สึกคิดนึกบาทีมันกบโกรธจริงๆมันก็หลงจริงๆทิแต่ให้เราเห็นมันอยู่แล้วในความโกรธในความหลงมันก็ไปจริงมันก็ไม่อยู่ในตัวมันมันกบเกลื่อนพวกเราตอนไม่มียานไม่มีสติ สางสติําเกิดยานก็มองไม่เห็นมันถูกปิดบังเอาไว้หมายถึงอวิชชาความไม่รู้ในความรู้ที่มันเกิดขึ้นในยานที่มันเกิดขึ้นเราเข้าไปเป็นเลยเราเห็นแต่เรารู้เราก็เข้าไปเป็นฟนรู้ ยานั่นก็ไม่เจริญนั่นเราได้เงินเราก็ใช้เงินเงินมันก็ไม่มีมันก็หมดไปเหตุที่เราได้เงินเราทำอะไรเราก็ต้องทำเหตุที่มันได้เงินเหตุมันทำให้เรามีเงินเราก็ทำเหตุตั้งไปไม่ใช่เราเพราะเงินเรากลลืมเหมือนคนบ้านเรา ไปทำงานกรุงเทพเขากลับมาบมาเลี้ยงกันเลเเรียกว่าฟุกไปทำงานต่างต่างประเทศกลับมาบ้านเพื่อนเพื่อนไปเยี่ยมไปเยี่ยนขอสูบบุรีสักมวนพวกแป้งห้าร้อยให้เขามันจะอะไรมันจะเหลือมันก็หมด การปฏิบัติธรรมกัมาันกันเมื่อมียาเกิดขึ้นเกิดความโลภก็ไปใช่ความโลภไปไปมาันก็เสื่อมเป็นเป็นธรรมที่เสื่อมเรียกว่ากุปตะธรรมโมเป็นธรรมที่สึกแล้ก็คนจนเศรษฐี กลายเป็นค น, นจนเศรษฐีกลายเป็นยาจกคนจนกลายเป็นถีเศรษฐีกลายเป็นา ย, นยาจกเป็นไปได้เช่นกันนักปฏิบัติธรรมว่าจะเป็นเปรตเป็นสัตวลกก็ไถ้อาจาหลงไปเอาไปโอ้ไปอวดกันไอ้กู้ตีคน ไม่สู้เวียกไม่สู้การไม่สู้งานไม่เอาหมูเอามิตรเห็นแกตัวเพิ่มขึ้นก็งี้อะไรนิดหน่อยก็โกรธใจส่อใจโาะใจบางไม่เข้มแข็งก็มีเหมือนกันเราอยู่ในป่าเชียนานอยู่ในถ้ำเชียนานฮะ อะไรก็สะดวกคนช่วยเหลือเสียนานไม่สู้อะไรเลยก็ไม่ได้ <c oughs> การปฏิบัติทำทําให้อ่อนแอก็เป็นไปได้ทําให้เข้มแข็งก็มีเหมือนกันเป็นความวง่วงปฏิบัติไปเคยดความวง่วงแทนที่จะเข้มแข็งตัวนั้นก็อ่อนแอไปเลยปฏิบัติเที่ยไดก็ง่วงเลยก็ปฏิบัติเที่ยไดก็ง่ว ง, ก, ง, วงก็นอนก็เลย อ่อนไปเลยปีใใจัยอ่อนเลยไม่สู้เลยพอทำงานอะไรเนิดหน่อยเน็ดเหนื่อยเนื่อนไหลคล้ย่อยแสงแดดละอองฝนหนาวร้อ น, นไม่สู้มันจะเข้มแข็งตรงนั้นแ่ะเข้มแข็งที่มันจะอ่อนการปฏิบัติทรรก็เหมกันความง่ทําให้เราเข้มแข็งความ ผง้านลำคานทำให้เราชัดเจนความผงสาหดหยิดขุ่นคิดทําให้เราชัดเจนทําให้เราเป็นระเบียบถ้าตรงไหนที่มันอ่อนเราไม่เสริมให้มันแข็งชีวิตเราก็ใช่ไม่ได้ความหลงมันสอนให้เราไม่หลงวันนี้แหละปฏิบัติไม่ผิด ับเก็บตกไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมจะอ่ อ, อนแอเหมือนหัวควายบางตัวใช้งานใช้การใจสั่หัวเทียมเขียด <c oughs> บางคู่โตใหญ่ใหญ่โตอ ให้ดันที่โคนสักหน่อยก็ร้องแล้วโอ้โกโขโขโขไม่สูกใส่วัวกัลจ้นวัวกัดจ้นหมากระจ้นพอให้ด <c oughs> <c oughs> ันโคนเราชอบผันหมากกะจ้นมาแข่ที่ประเทศอินเดียมารับจ้างเขาเขไม่เอาม้าใหญ่หมากระจ้นใส่รถเทียม รถบหมนทุกคนคันละเจ็ดแปดคนมันก็โดดใส่มันมันเดินไม่ไหวมันดันไม่ไหวมันก็โดดใส่มันก็โดดใสดด่ก็โดดเป็นจังหวะกระโดดเป็นจังหวะเพื่อรับแอดที่มันอยู่ในคอมันดันไปอยากกระชือไปอเขาที่จะกูโอ้ยเราก็สงสารมัน บอกเพื่อลองไปขี่รถบ้าไปได้เลยหารถอันอื่นนั่งไม่ได้เลยสงสารมากไปถามเูาเขาว่าไม่มีเขาจัดเขาจัดระเบียบให้มีรายได้กับพวกรถมา้าเขาก็ให้รถเครื่องยนตคกดไก่ไปรับจ้างตรงนั้นกลายเป็นทางรถม้ากันเราก็สงสาร ม, ามันไอ้คนขุสู้นะม้าก็จชน เหตุผลเราประมานกันให้มันเป็นม้ากต่จ้อนเถอหน่อยโซ่กันกนะแต่ไปแต่ไปเป็นมา้าเทศก็ใหญ่ใหญ่อาจจะใจญ่ส่อโซ่กันมันง่วงดันไปสู่ความไม่ง่วงมันหลงดันไปถูกความไม่หลงมันฟุ้งซ่านดันไปถูกความไม่ฟุ้งซ่านมีนสติเข้าไปจุดหมายปลายทางของเราคือความโลภสตัว สู้ตรงนี้หรือเปล่าพวกเราฮะสู้ว่าไม่แก้าสู้ความม่งงบ่แต่ว่าไม่ได้สู้เพื่อตะเกียกตะกายนะสู้แบบตะเกียกตะกายมันก็ไม่เคยดีนะสู้แบบไม่สู้นะสู้แบบขี่คอความง่วงฮะสู้แบบยิ้มไปธีปฏิบัติทำสู้กับปัญหาต่างๆมันยิ้มนะ ไม่ใช่น่าบูดน่าเบื่อนะไม่ใช่เศร้าหมองมันยิ้มรับนะเห็นทุกข์ก็ยิ้ม่างเดียวเห็นความโม่งก็ยิ้มท่าเดียวเห็นความคิดลังเลสงสัยผงสาด ย, ยิ้มรับเมืองท่าเดียวผ่านปฏิบัติธรรมถ้าไปบูดเบื่อจนเกลียดไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าไปเอาผิดเอาถูกคอยที่จะชอบความถูกคอยที่จะระวังไม่ให้มัน ผิดพอวันปิดที่ใดก็ไม่พอใจมันไม่ลากเลือเล่อนแบบนันปฏิบัติไม่ลากเลื่ไม่สนุกการปฏิบัติสนุกต้องลุยๆข้างหน่อยถูกก็อื้อผิดก็อื้อไปเรื่อยๆฮะเราทํางานร้อนก็ไม่เป็นไรอย่าไปเห็นความร้อนเป็นความเด็ดเวลาเราทํานาดํานา แสงแดดผ่าลงมาไลหลคราย่อยไม่ได้ไม่ได้เอามาเป็นปัญหาแล้ว อ, องฝนตกลงมอเปียก เ, เลเอเธอะหนาวไม่เอามาเป็นปัญหากาลังทำงานกาลังทางานเรื่องร้อนเป็นเรื่องเล็กเรื่องหนาวเป็นเรื่องเล็กทำงานทำงานทำงานปักํำลายันสึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งนั่ น, นแหละเป็นงานของเรา พอไปเจอร้อนก็โอยไม่โซ่เจอหนาวแล้วก็ไม่สู่มันจะเสร็จอะไรการทํางานมันก็ต้องมีการเจริญสติมันต้องมีความหลงความผิดความทุกข์ความยากคนลํ า, าลบากความยากคนลํ า, าลบากไม่มีปัญหาต้องผ่านสิ่งเหานี้เลยการปฏิวัติธรรมเห็น มันมีเงื่อนไขให้เราทำอยู่มนที่เกาะมนที่จับเลามันก็จับไปได้มันก็ผ่านไปได้ไม่ใช่ว่ามันไม่รู้อะไรมันไม่มีอะไรมันมีอยู่มันมีช่องทางอยู่มันไปได้อยู่เป็นสอกเป็นวาเป็นคือบอยู่ต่อการสร้างความรู้สึกตัว ถึงขาดาษมันมืดแปดด้านดงขนาดไหนมันก็ไปได้เราก็ให้มันชัดเจนจัดเจนเป็นนักปฏิบัติเต็มตัวมันนักทำงานเต็มตัวก็บรทุกขดาด เราสึกเราเลืกได้ทุกโอกาสคันสุขความทุกข์เป็นเลือกสอ ง, สองขอบทางเราเดินผ่านตรงกลางไปเมื่อเราเดินทางความสุขความทุกข์มันอยู่ข้างซ้ายข้างขวาความผิดความถูกมันอยู่ข้างซ้ายข้างขวาแต่นักเดินทางก็ต้องอยู่ตรงกลางผ่านสิ่งเหล่านี้ไป อางทีไปเจอล่มเย็นเย็นอ้าวแวะเสร็จแล้วไม่ใช่มันก็มีเหมือนกันนะเอเดินทางไปเจอล่มเงาเย็น เ, เยนเ็ยนชวนนั่งชวนนอนชวนพักผ่อนก็ไม่ถึงไหนแล้ว <c oughs> ต้องไปเรื่อยๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆไปสู่ความรู้ ไปจากความไม่รู้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปผ่านบ้านโน้นเมืองนี่ไปผ่านด่านโน้นด่านนี่ไป <c oughs> ด่านความงงเอาฮะโนนผ่านไปความเมตตาสงสัยผ่านไปความคิดฟุ้งซ่านผ่านไปปัญบาเกิดขึ้นผ่านไป ตามมาลาคะเกิดขึ้นผ่านไปวานแล้ววานเล่าผ่านไปเรื่อยๆ อ, อะไรที่มันทำให้ขวงหน้าก็ผ่านเสียงเหล่านั้นนะให้สติเรื่อยไปตืกนเล้นได้ไปเจอไปพบไปเห็นของเท็จของจริง ไปเห็นลูกมาทำไปเห็นน้ำมาทำไปเห็นอาการต่างๆที่มันบางอย่างมันมาสารภาพนะมันไม่ใช่ขวงกั้นทำบางอย่างมันมาสารภาพทำบางอย่างมันมาขวางกั้นเหมือนพระเวสสันดรเดินทางจาก มันอะไรหรอเมืองสีพีไม่มีใครบอกเลยมาช่วยกันจับไปสู่เขาครีบงกตไปเจอของเท็จก็ไม่ไปเจอของจริงก็ไม่ไปเจอขอ ง, งจริงก็ไปหาเพื่อน เพื่อนอะรเพื่อนนะฮะไปเจอภานเจตะบุตรไปเจอจุดตะลุสีถามจุดตะลุสีนู่นบอกที่ทางไป ไปเจอนายพานเกตบุตรนูนเขาจีริมงคลที่ทางไปแต่เมื่อไปเจอขวกเจอหนามครับไม่ใช่ไหมแต่เชื่อชี้บอกทางอยู่แต่ว่ามันการเดินะนะมันต้องไปเจอถนอนห น, นทางผูกขา บ, บ้ า, า, งบางก็มีการปฏิบัติธรรมก็มันไปเห็นลูกเห็นน้ำโอ้เหมือนกับ เตตบุดที่ทางให้นอนแล้วมาถูกทางแล้วไม่ผิดแล้วมันก็เราเดินทางไม่ต้องกลับไปไหนละไปไปทางหน้าเรือยไปเราก็ไม่เกียเวลาเห็นโลกเห็นน้ำโลกน้ำมันบอกทางให้เรา ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมันก็บอกเราอีกผ่านมันได้อย่างสบายเลยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็ผ่านได้สบายความไม่ใช่ตัวตนก็ผ่านได้สบายความโลภความโกรธความหลงก็ผ่านได้สบายอาการธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกตามสารภาพหมดหมดเนื้อหมดตัวหมด หมดเปลือกออกเปลือกให้เราดูเลยธรรมชาติยังไงอาการยังไงของโลกทำของนามธรรมาบนบาปเสดอจขึ้นมาศาสนาก็บอกเราอยู่ตรงนี้กุศลอยู่ตรงนี้อกุศลอยู่ตรงนี้บนคืออย่างนี้อย่างนี้บาปคืออย่างนี้อย่างนี้ ศาสนาะพุทธศาสนาคืออย่างนี้อย่างนี้ไปพบเห็นไปพบเห็นสิ่งเห็นสมาธิเห็นปัญญาเกิดความรู้เกิดตืด่นเต็นลืมตัวก็ไม่นะตรงนี้น ลืมตรงนี้ก็ไหมเลืมลืมสุกไปสุกไปติดความโลภเอาเหมือนพูมาาื่อบาลกลายเป็นวินปัสนาไปแทบลงไปสมาททันทีเหมือนเหมือนบ่าได้กบใช่ไหมเคยเห็นบ้าได้กบไหมคุณประสารใจเย็นไหมคำพูดองนนี้ยยามเกาคือบ้าได้กบเห็นไห ใครได้ยินไหมพอเราคนภาคกลางไม่ได้ยินหรอนะฮะแต่คนว่านอกได้ยินนะถามเขาก็คือพิบาได้กบคนจนสากนีอ่าอมันก็เป็นอะนั้นไล้วันรูกก็าคำอยู่ตรงนี้หละบาได้กบพอไปจกเอากบหูโลนี่ได้แล้ววันหลังก็มาจก รูเก่าอยู่เลยบ้าได้เก่าทั้งที่มันไม่มีก็มาจกอยบกันแล้ ว, ลวมาเอาเอาแขนไปสอดเข้ารูเก่าจกแล้วจบกี่ว่าจะได้พบตรงนี้ได้คนตรงนี้ก็โลกคลวามเยอนติดแล้วมาถึงไปไปหารูใหม่ไปไม่ไปหารูใหม่เอาแต่รูเก่ามันจะได้อะไรโลกความเยู่ของโูกของตอนโอ้ยพออกพอใจ พออกขอใจตรงนั้น <c oughs> <c oughs> แ่ะเหมือกับผมพอเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็เป็นคนเล่นโบกพอเล่นโบกได้มันนอนนับเงินเวลาเราไปหาที่ไดนเอาเงินจบกระเป๋ามานับมานับเงินตเต็มนับแล้วก็ยกใส่หัวเอาไว้ใส่กระเป๋าเปิดเป็นวันไหนก็มานับเงินนับไปนับมา ก็ว่าจะเอาอีกคนนะไปเล่นอีกคนน้าเอาไปเล่นหมดหมดเลยไม่มีไมยมีเหลือเลยความได้มันก็มีความเสียถ้าเราไม่ต่อกัน <c oughs> <c oughs> เราต้องหดสร้างนะตรองไห น, นอย่าอย่าประมาท ร, ระวังดีๆเพราะเราไม่เงินไม่ทองไปพอใจกับไมเงินไม่ทองต้องทําเหตุที่ทํา ท, ท้องทำเหตุที่มันได้เงินขึ้นมามันยังจะมีต่อไปได้ทําเหตุตัวปฏิบัติจะทิ้งไปก็ลับมาปฏิบัติทำจเจริญสติสบายแล้วป่ะเนี่ยเรื่องโลภนามอารมณ์มันมาช่วยเราฐานอย่างดีแล้วบ่ะแต่ก่อนมีแต่สติช่วยยังไม่มีอารมณ์มาช่วย ช่วยกำลังหวัวเลี้ยวหวัวต่อฝ่งโลนสติอย่างเดียวช่วยเราพอได้ลมโลกน้ำเอาลมลูกน้ำมาช่วยอีกหลายแรงอะให้ก็เป็นโลกทำน้ำทำอันทีาาท่โลกน้ำให้ช่วยให้เราลบกับศัตรตูที่ไล่ไล่กันไปความโลกความโกดธความหลมได้อย่างสบายทิศทิจลิบนิดใส ได้อย่างสบายอารมณ์โรคตามเข้าไปช่วยอะไรที่มันจะเกิดปัญหาเึ้นมาโูคตามเสนอขึ้นมามันเป็นโูคธรรมดามันเป็นอาการมันเป็นธรรมชาติมันเป็นความไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นทุกข์มาแล้วโรคนามมาแล้วมาช่วยเราศรษฐสมาธิปัญญาช่วยเรา โอ้โอนใจเหมนนักลบยึดพื้นที่ได้ได้มูได้มิดเกิดมิดร่วมมิดกันเหมือนประเทศสัมพันธมิตรที่ไปโลกประเทศอือ่นแล้วนั้นอนนเป็นสมุติไปเนาะเกิดความสมัคีในธรรมมาเป็นกลุ่มมาเป็นกันระยานธรรม มาช่วยเลยลม ร, รูปนาตกยากกว่านะเข้มแข็งที่สุดเลยการปฏิบัติธรรมริปัสสนูเป็นสิ่งที่บ่งบอกนิมิตปายทางก็ทางสี่แยกห้าแยกเห็นชัดตรงเนี้ยพอเราเดินทางตรงที่มันหลงเราเห็นชัด แล้วก็เป็นผู้ชำนาญในการเดินทางได้การเดินทางสู่การปฏิวัติสู่ความหลุดพ้นตรงไหนที่ไม่ทำให้ไม่เกิดความหลุดพ้นเราลูกมีแต่พ้นความหลงกัพ้นจากความหลงความทุกข์กัพ้นจากความทุกข์ความโกรธก็พ้นจากความโกรธความโรคความหลงความวิตกความอนพ้นไปเรื่อย ความหลุดพ้นเป็นเอกลักษณ์เป็นเป็นสิ่งที่สง่าที่สุดของนักปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้าว่าผมอาจารย์นี้ไม่ใช่เพื่อนราบสกุละเสียงเสือญเยินเราผมอาจารย์นี่ไม่ใช่หมูมิตรพวกพ้องบริวารไม่ใช่ลทัทธิไม่ใช่เป็นเจ้าลัทธิผมอาจารย์นี้ เพื่อวิบุตคของหลุดพ้นโอ้แน่นอนที่สุดเลยการปฏิบัติทำพ้นอะไรมันก็มีมันก็เห็นอยู่ในตัวนี่นแหละมันพ้นอะไรมามันก็เห็นปฏิบัติปัจจัดตังเห็นเอาเองฮะเคยลูบลูบลูนาำเห็นลูบเห็นนามพ้นจากลูบพ้นจากนามในหลักใจฐาน ได้เครื่องมือเครื่องทุนแรงเกือบจะใช้มือสองนิ้วแล้วตอนนี้แล้วเกือบจะกดสวิตช์แล้วพอเห็นความคิดมันก็กดสวิตช์ได้แล้วแล้วก็น่โอ้ทั้งหาบทั้งดันแต่เนมันสะดวกขึ้นมาผมเห็นทางกิจกดสวิต ตอกตก็ตกตก๊กเต็กเหมือนเราฝึกมาฝึกหัวเทียมไถฝึกมาเทียมลดอาจจะไม่ต้องดึงต้าดึงหลังเลียงกระดิกนีด่เดียวก็ไปตามที่เราต้องกา ร, ารกานบัรเป็นังกิตสะดวกเพราะว่าเราฝึกมาพอสมควรมันก็มีอ น, นิสงกายก็ เกิดอนีสมองใจก็เกิดอนสอีสงสติสมัญญะกายก็เชื่องลมไม่พยศการนั่งก็สะดวกการเดินก็สะดวกไม่ปวดขาปวดแขนเท่าไรความปวดความมั่ยไม่มีปัญหาไม่เหมือนสมัยทําใหม่ๆความคิดก็ไม่ลบโกวนว่างว่งเอาห่อนอนก็หลุมพบลึกชาติไป ต้องคิดหาแล้ก็เกิดความแน่วแน่เกิดสมาธิมั่นคงไม่งอนเงี้ยนอแคลนอะไรมามันไม่ถึงเราทันทีแต่ก่อนอะไรมาก็ถึงเราทันทีผมง่วงก็ถึงเราความคิดก็ถึงเราพอไดไมล้ไม่ถึงเราง่ายงมันมีธรรม มันมีกันระยาดั้ทรรมมาให้ตกไปในที่ชั่วคนปฏิบัติธรรมนะผู้ฟังเพียนทันกิจถ้าใารไม่สติดูกิจไม่กิจ ด, ดูกิจหลวงปูเทียนพูดคํานี้ไปอยๆมีสติดูกิจมีกิจ ด, ดูกิจอะไรอ๋อมอฟังดูแล้วเอาไปคิดอย่าคําพูดเรื่องนี้ยาเอาไปคิด ห้ามไปคิดไปคิดมันปวดหัวมีสติดูจิตไม่คิดดูคิตพยายามคิดให้มันมากมัใช่หลังคนพอให้มาปฏิบัติทำพอพูดแต่เรื่องจิตเรื่องสติเรื่องความคิดปวดหัวไปเลยเอามาทํำเราอาจารย์พทษเรื่องสติเรื่องความคิดเรื่องจิดไม่รู้เรื่องเอาไปคิดก่อนครับ อะไรเลยเอาความคิดออกหน้าออกตาหาคําตอบจอากความคิดเสร็จเลยไปไม่ได้ไม่ได้บอกให้คิดมีสติเอายกมือช่างจะบอกรู้จุดตัวก็บอกแค่นี้เท่านั้นเองเวลาใดมันคิดแต่ไปจากมาเข้าไปในความคิดให้กลับมารู้จุตัวก็บอกแค่นี้แล้วเขาก็ไปคิดใหญ่เกินไปคิดพอหลงพอเถื่อนพูดลอยก็ออกมาคิด ไม่ใช่ให้ออกมาคิดเอามาทำแต่ทําแล้วมันเห็นก็จงต้องจึงค่อยไปรู้เรื่องคําพูดแต่มันไม่เห็นก็อย่ามาคิด <c oughs> <c oughs> มีสติดูจิตมีจิต ด, ดูจิตบําเพ็ญทางกิตตกแตกตอกแตกตอกแต ก, ตกอยู่ตรงนั้นนไม่มีอะไรนะแต่เวลามันไม่คิดก็มีสติไปไม่ได้ไม่คิดก็ดูกิตมีจิต ด, ดูกิต ไอ้จิตมันก็ดูแลของมันเองสติมันก็ดูแลกิตกิตมันก็ดูแลสติอันเดียวไปเลยวะเนี่ยจิตก่อนนั่นสติก่อนนั่นความรู้สึกตัวก่อนนั่นมันลงตัวหายใจก็คือสติแต่ก่อนหายใจอันหนึ่งความรู้อันหนึ่งเคลื่อนไหวมือที่มันเคลื่อนไหวอันหนึ่งความรู้อันหนึ่งมือสองอย่างสามอย่าง เราทาไปทําไปมันก็เป็นอันเดียวเราเรียกว่าเอตัตถคัตความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งเดียวเกิดขึ้นในสติทุกิจมนกิจธุกิจเห็นอะไรก็มีเท่านี้แล้วเกิดเท่านี้แหละมันเกิดไปนานๆก็มีเท่านี้เกิดใจเย้าก็มีสติทุกิจมีกิจทุกิจ จิตนั่งก็ไปเรื่อยๆถ้าจะพูดเล้ ม, มันเป็นอนุสใสจิตเนี่ยโลกนี่มันค่อยๆเชื่องแล้วละ่ะตัวของโลกนะมาใหญ่แล้วมนใหญ่ใหญ่ไปไว้ถึงไหนหรอกตัวของโลกมันใหญ่ตั้งแต่ทีแรกขนาดแล้วพอทำไปทำไปมันก็ไม่มีอะไรนะ้วไม่ใช่กิต ตัวคิดทะนั้นเห็นมันคิดทันความคิดแต่มันไม่คิดก็ลกไปโลกไปเอาไปมาในโลกใน <c oughs> น้ำอภิพุทธวาก็มีขันห้าลูบลงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ กำลังของความรู้สึกตัวกำลังความเพียรกำลังศรัทธากำลังแรงโสมดูลมันรู้มานานมันไม่ได้ทำบาปไม่ได้สร้างกะผูุชนคนมีสติว่ารู้ไปรู้ไปมเกิดธรรมชาติเกิดกฎธรรมชาติเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติ สิ้นภพสิ้นชาติอันนี้นะปฏิบัติธรรมนะโดยไม่ใช่ความคิดมันเป็นไปเองธรรมชาติมันไปของมันอย่างนั้นลงตัวแต่ก่อนมันเพี้ยนมันจะเข้ากันทีไรก็เพี้ยนไปมันเราจับน็อตใส่เกลียวไม่แม่นยำสักทีก็ไม่ไปเรื่อยกันไม่ถูกเกลียวปีนเกลียว วิตทีปีนเกี่ยวความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงมันปีนเกี่ยวความวิตกกวงมวุ่อมองความรลอความชังมันปี่นเกี่ยวแตมันไม่มีสิ่งแล้วนี่มันก็ปั๊บทันทีหลงตัวไม่ไปไหนแล้วมันของเส้นคงว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชาติสิ้นแล้วคมไม่จันอยู่จบแล้ว ตื่นที่จะต้องทำไม่มาอีกแล้วจะไม่ เ, เป็นอะไรล่ะจะให้ เ, เป็นคนเป็นคนลักเป็นคนชังเป็นคนยินดียินไล่หรือมันไม่ใช่แล้วมนะันไม่ใช่แล้วมันของเหลวไหลเสีย่อนนะกานการปฏิบัติธรรมเนะี <c> ่ย <oughs> คำพูดมันก็อย่างนี้ สามปีสี่ปีมาพูดเพียงสามสิบนาทีนะอ่าแล้วค่อยก็ว่ามันโอ้แต่ที่กิจการเดินทางมันตั้งสามปีสี่ปีแต่มาพูดให้ฟังก็เพียงสามสิบนาทีสามสิบนาทียี่สิบนาทีเราก็จะเอาเหมือนที่หลวงพ่พูดอีกละ หลวงพ่อเทียนพูดว่าจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เอามันก็ไม่ใช่ไปเอาความคิดหรื อ, อมันก็ไม่ใช่ต้องเพียนต้องทําต้องการกระทำจะเจริญสติไปจเจริญสติไปหลวงพ่อเทียนพูดยังไงจะเอาให้ได้จะให้เป็นเหมือนหลวงพ่อเทียนพูดมันก็ผิดไปแล้วไม่มีการกระทํา ลอพูดลองเพอเทียนคำเลยเอามาคิดมันไม่ใช่เอามาทำถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นก็ทำไปอย่ไปสนใจนะอย่ไปสนใจเพอเทียนพูดว่าให้ดูลูกดูน้ำก็ อ, อย่าไปสนใจเมื่อแต่เรามีสติ ด, ดูกายไปให้มันเห็นกายนี่แหละมันเห็นอยู่จออกนี้ไปไหนยกมือข้างจะว่ามันก็เห็นอยู่กายนี่แหละเป็นลูก ตอนรู้สึกที่บันชิดต้นชิดนี่เดี๋ยเป็นนาเราดูอยู่แล้วแล้วกระโดดไปไหนดูเลื่อยไปดูเลื่อยไปการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นเราก็ถูกแล้วท่ามกลางก็ถูกแล้วที่สุดเราก็จะถึงที่สุดจะมีเบื้องต้นท่ามกลางก็ถึงที่สุดที่สุดก็ต้องเป็นที่ที่สุดก็ออาศัยการเริ่มต้นและท่ามกลาง ไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ตั้งต้นก็สติท่ากลางก็สติที่สุดก็สติที่สุดก็สติสวรมรู้สึกระเรื่องตายพระอรหันต์ก็คือผู้ที่มีสติสมบูรณ์สติสมบูรณ์ก็เป็นอะไรเป็นญาณเป็นฌานเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลผู้มีสติมันจะเกิดเจ็เจ็บตายยังไง มีสติม oh, ันก mm ็อ hmm. ย mm ู่ตรงนั้นแล้วคนที่โกรธเขาไม่มีสติคนที่ทุกข์เขาไม่มีสติคนที่เกิดเขาไม่มีสติคนที่แจ่เขาไม่มีสติคนที่เจ็บเขาไม่มีสติคนที่ตายเขาไม่มีสติคนมีสติคนมีความรู้สึกมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นโดยไม่มีการเกิดเจ็บเจ็บตายเราทำอยู่แล้วนับปฏิบัติก็รทำอยู่แล้ว เราไปไหนเราแบบจะไปไหนก็อยู่กับหมูกับเม็ดนี่แหละถ้ามีลูกก็อยู่กับลูกเออถ้ามีผัวมีเมียก็อยู่กับผัวกับเมียถ้าไม่ีพี่ไม่น้องก็อยู่กับพี่ไม่น้องถ้าไปทําบาปทํากรรมกับมันเขาเว้นของมันแล้วมันไม่ไปทําดอกจะไปฉันจะอยู่ยังไงจะกินยังไงไม่ต้องไปคิดหรอกฮะ มันได้ที่มันก็เป็นไปเองผมถูกต้องก็รลายอย่างเป็นคนถามว่าไม่ฆ่าสัตว์มันจะได้กินอะไรไม่ทำมันจะได้กินอะไรมันได้กินอยู่ถ้าไปครัวถ้าไปกลัวเพราะนั้นเริ่มต้นที่วัดป่าสุกโตเริ่มต้นที่ตรงนี้ ก็ได้อยู่ได้กินได้พักได้ผ่อนได้ไม่มิตร ม, มีเพื่อนตรงนี้เกิดความรักเมตตากันตรงนี้ก่อนแต่เพิ่งคิดหาที่ไหนแต่เริ่มต้นได้ได้ว่าไม่มีถ้ำกลางไม่มีที่ซุดเริ่มต้นจากความรู้สึกให้อภัยกันอยู่ด้วยกันไปอะไรที่ไม่เหมาะไม่คนอะไรที่มันยุ่งยากแล้วให้สะดวกก่อก็เริ่มต้นไปเรื่อยๆไปการปฏิบัติธรรม ไปยินบ่ไ้ยไินไหมอ๋อก็พอละเปิดวันละเล็กวันน้อยเนาะแล้วก็กราบพระพ้อมกันอะรอ่องอมมอซ้อมเบิโตเขาเข้าโตต่งเข้าต่างเข้ทวาทวดาเ้าโตเข้ตาธรมโม ทามวังนามาตยนติปณุภะคะวะโตสาังโฆัมันมา